เ่าเอ่ยเพราะู้จักภาษากันกเ็ิละ ท, ท่นพูดน้บฟังเหมือนกันเ่าอาจะมาหาเปลี่ยนพูดเช่นทันอาหารนี่ก็เมรามาศาสตราเขาบอกว่าพุนชันต๋อภาษามคอตมาแปลเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นพระก็บอกว่าฉันส่วนเดิมนั่นเป็นคำเดียวกันนะครัาชาจีนก็แค่ปึ่งภาษาโยนก็อันคคยภาษามโคตรกับุญยันติเทวส่วนใหพระารมราชาอ๋อ แสวยพระกระยาหารแล้วก็้ามันบ้านนอกของเราก็กินพระก็ว่าฉันตรงกลางของประเทศตรงกลางก็ว่ารับประทานแต่ก็ไมจริงมันก็มนมสมมตินะสมมติถ้าเราจกฟาซากัน สมมติทั า, าก็อยู่ใต้อำนาจอันนี้จังมันกเข้าใจมันเป็นสมมุติดังเดิมไม่ใจเป็นสมมุติดังเดิมจนิงนอื่นๆที่ใจชอบออกมาเป็นสมบัติพระาสนของตนก็ดีหรือเอามาสมมุติใช้กันก็ดีก็เลยกลายเป็นสมมติไปหมดเองผู้ที่ไม่คิดข้องเลยสมมติก็คือท่านผู้พ้ไปแล้วท่านรู้สมมติจำในริงของสมมติ ท่านก็รู้วิมุตตามันเป็นริงของวิมุตตุด้วยปัญหาอยู่ในโลกมันมีมากทำไมปัญหาจึงมีมากก่อแา้เหตุว่าชีเิตของเรามีมากปัญหาก็มีมากความต้องการใช่ไห มนุษย์มีมากเท่าไรปัญหาก็ต้องมีมากเท่านั้นทเทวดามาทรทมสวนพระนิพพานไม่มีปัญหาปัญหาแบบงออกเป็นสองปัญหาในทางชั่วปัญหาในทางดีปัญหาในทางดีใ น, งดในทางวุทธศาสตร์ก็หมายถึงเสียงสมาธิปัญญา ปัญหาในทางขั่วกระไมเอาตัวบาปใช้ผู้ท่องเที่ยวมาในวัดต้องสารเที่ยงไม่เสมอภาคกันถ้าเป็นมนุษย์ก็ไม่เสมอภาคกัน มีผู้จนมีผู้รวยมีผู้อายุสั้นมีผู้อายุยืนมีผู้มีพืชพันวันลนะต่างกันมีตระกูลต่างกันตระกูลชานาบ้าตระกูลเศรษฐีบ้าตระกูลกษัตร์บ้าง เราก็เห็นว่ากรัมมุนนาวัตติโรโกสัตโลกเป็นไปตามกรรมกรรมและผลของกรรมตามสนองบันดาลให้เป็นไปกรรมมีมโนกรรมเป็นหัวหน้าของกรรมทั้งหลายวิกายกรรมวิกีกรรมเป็นผู้ช่วยผู้ชนะกรรมเป็นผูุศล คนเราไปชันขั้นแข่งกันทางกําลังกายก็อพอไปชันขั้นแข่งบ้างทางวาสนธรรมบาลีไปชันขั้นแข่งไม่ได้รัสสังข์สนชิ้นทานมาต่างกันนางท่านไม่ได้จะเกลียดตะกายเลยมีพอได้อยู่ได้กินมีทรัพย์สมบัติเสชยงคานบริวานแมงท่าน มีทรัพเสียงขานบริวารมาก็รักษาไม่คุ้มตกโรงกากิดเป็นคนจนก็มีก็เพราะเหตุใดก็เพราะเหตุกรรมและผลของกรรมที่ทำดีและไม่ดีนั่นเองกรรมบางชนิดให้ผลในพรนี้และพบหน้าบางชนิดให้ผลในพรสืบบางชนิดให้ผลเป็นลำดับ บางคิดทำให้ผลเป็นธรรมให้ให้ผลตามจิตที่ตระที่ทําบางเทดให้ผลสําเร็จให้ผลสําเร็จแล้วเรียกว่าเอาองติกรรมบางทีกระตตากรรมกระ ต, ตากรทำกรรมเป็นแตสักว่าธรรมไม่มีเจตนา ถ้าทำบุญก็ไม่ได้บุญมากถ้าทำบาปก็ไม่ได้บาปมากเพราะกรรมไม่มีเจตนาเช่นฆ่าสับตายด้วยไม่เกิดไม่มีเจตนาเป็นต้นก็ไม่ได้บาปมากทำบุญไม่มีเจตนาก็ไม่มีก็ก็ไม่ได้บาปมาก แต่ไม่เกียรตนาอยู่แต่ว่าเกตนาต่ําก็ไม่ได้บาปมากก็ไม่ได้บุญมากเกีตนาเพื่อทําบุญมีร้ายเกตนาเหมือนกันทําบาปก็มีร้ายเกีตนาเหมือนกันผลของบาปของผลของบุญเนี่ยจะเว่นไม่ได้จะว่า ก, กรรมธรรมดาญาติโยมียม็กรรมธรรมดาญา กรรมัมยอวันนี้มีกรรมเปรนแยนเกิดเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเท่าเกิดในไครเกิดในผุดขึ้นเหมือนเทวดาในสัมนาลกเกิดในคันก็ต่างกันในตะ ก, กูลสูงตะ ก, กูลจําหรืออายุสั้นอายุยืนอายุยาวหรือผิวพรรณวันนะมีรูปสวย รูปไม่สวยตามสมมตินจนๆก็เนื่องในผลของกรรมทางนั้นถ้าว่าเชื่อกมและผลของกรรมลงสนิทก็คือเชื่อ พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์เราดีๆนี่เองคำว่าใครทำใครได้อันนั้นมันถูกแล้วใครทำกรรมดีก็ได้ดีใครทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วย่อใครทาใครได้อันนั้นพูดยอด่อทำไมจึงพูดยอด่อ กพราะเข้าใจความหมายแล้วจึงกล้าพูดยอดได้พูดถ้าไม่เข้าใจความหมายก็พู้ยอไม่ได้คนเราจะเก่งสักเพียงไนก็ตามก็อยู่ใต้อานาจกรรมและผลของกรรมทางนั้นแหละเราก็เหมือนกันท่านก็เหมือนกันพระแม่เพระบรามศาสดาก็เหมือนกันเพราะบรมศาสดาท่านเป็นอาวุธที่กรรมแล้ว พระโมาราเขาเป็นอาโหติกรรมแล้วส่วนพระาหารเป็นอาโหติกรรมทั้งนั้นพราะกรรมเก่าตามมาถึงก็มาพบแต่เรือนร่างว่างเปล่าซะเช่นตามมาถึงขั้นห้าเพราะขั้นห้ามีกายกําใจเป็นห้ากองเรียก ว, ว่าขั้นห้าหนึ่งรูปสองเวทนาสามสัญญาสีสัญญาห้วิญญาณถ้าสี่น้ น, น้ำไฟลมประชงกันเป็นขายยัว่ารูป ความรู้สึกอารมณ์ในเวลาเมื่อกระทบรูปมากระทบในตาเป็นต้นเรียกว่าวิญญาณขันหักก็ย่อมเรียกว่านามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเข้าเป็นนามรูปก็คงเป็นรูปตามเดิมมีธาีุ่หีนามความลมแตกสลายเป็นนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แตกสลายเป็น สิ่งทุกอย่างแต่ขาดเป็นทั้งนั้นรูปอดีตรูปปณิตรูปละเอียดรูปหยาบรูปที่ใจที่ท้เกิดขึ้นในแบบโบราณแต่สลายเหมือนกันแล้วก็เป็นทุกทนระยาเหมือนกันไม่ใช่เรามัใช่ของท่านคนอื่นเหมือนกันเป็นเพียงว่ารูปสังขาร รูปสังหารกับรูปประโลกก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประธาต์ก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประอินทสีย์ก็มีความหมายอันเดียวกันอินเสียแปลว่าเป็นใหญ่ในรูปเกิดขึ้นแล้วพอแปลไ่นใ่นแจกสลายตามสติกําลังตามอยาท้ากรรมของข่าของมันถ้าเป็นรูปที่มีวิญญาณคลองสิงก็อยู่ รามกรรมแล้วเพอของกรรมของตนผู้มีอายุยืนเป็นผู้แม่พ่อด้เวียดเวียนสัตว์แม่ค่าสัตว์สัตว์ชีวิตมากก็อายุยืนแต่แม่ค่าสัตว์สัตว์ชีวิตมากแต่ว่าเวียดเวียนสัตว์ให้เจ็บปวดด้วยเขี่ยนด้วยดีทรมานประการต่างๆถึงจะมีอายุยืนก็เป็นคนมีโรคมาก เราก็เป็นคนมีโรคมากอายุยืนถึงแปดิบปีก็มีโรคมากหลายอย่างโรคสาเลื่อนเอ๋ยแล้วก็โรคถุงํำดีเอ๋ยแล้วก็โกกรคกระเพาะอาหารเอ๋ยโรคโรคชรามีทุกท่านไม่ต้องพูดโรคชรามีอยู่ทุกท่านแล้ว โลกวิจัยเอ่ยพราโลกทั้งพวงก่อมเกิดขึ้นในสกนลากายเทเรศทั้งพวงเกิดขึ้นในสกนลกิจถ้าไม่มีกิจก็ไม่มีเทเรศเพราะเทเรศอาศัยกิจ ดินล้วนลว้วนน้ำล้วนลว้วนไฟล้วนล้วนไม่มีกเกสเป็นคองสิงจะจับเป็นกิเลสไม่ได้และก็จะจับเป็นพระนิภานไม่ได้อีกเหมือนกันดินน้าไฟลมที่มีกิเลสคองสิงจึงจับเป็นของที่ควรปฏิบัติถ้าไม่ไม่ปฏิบัติก็ เ, เป็นโทษจริงๆ บาปนี่ถ้าเราไม่ระมัดระวังมันก็เป็นโทษจริงๆบุญถ้าเราไม่สร้างขึ้นมันก็เป็นไม่ไมมันก็ไม่มีจริงๆทุกขันทุกคนไปแล้วจากโรกทั้งปวง ก, ก็มากกว่าไม่เห็นไม่ทรายในท้งมหาสมุทรจะว่าร้อยกฎมหาสมุทรก็ได้เพราะเหตุใด ก็เหตุว่าแต่ละกลับละกับก็อสงไขยอสงไขกับเสีแล้วกัปหนึ่งก็มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์บ้างสามพระองค์บ้าพรสตะกับของเรานี่มีห้าพระองค์กัปูสันโทโกนาคมานุกัจโพโพตโมยังอิตริยเมตเตโยมาอีกรจึงจะเป็นกลับหนึ่งแล้วก็เป็นสวนจะกลับอีก เพืนกลับก็กลับใหญ่โตโหดฐานเหมือนกับพัฒน์กับที่เราผ่านมานี่เองสัตว์ทู่ท่องเที่ยวนวะว่าตาท่องสารท่องเที่ยวทำไมมนุษย์ท่องเที่ยวทำไมสัตว์เที่ยวสารท่องเที่ยวทำไมเพก็กำมุนีนาวัตติโรโกนั่นเองเป็นไปตามกรรมของตนกามโย น, นี้มีกําเป็นเงนินเกิดกามพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันเป็นพ่อพ่อกามะปฏิมีกําเป็นผู้ปฏิบัติ รโนยัยงกำมังคณิตสามิหรือสันติภัญยานง า, า, างวาภาบังวาทัตตายาโดภวิตสามิก็ดีภวิตสัน ต, ติก็ดีสามติมตกกมิก็ดีก็มีความหมายเดียวกันแต่รับผลของกรรมนั่นสืบไปเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาเพราะบุรุศาสตราไม่มีเจตนาวางยาเข้าผิดแต่ท่านเข้าสู่พระในฟานก็ตามไปถึงองค์ท่าน บรรดานแล้วเ็นชันโมง่วนลงพระโลหิตก็ไปผิดกับโลกขององค์ท่านลงฤลติดวงสวรรค์หนักขององค์ท่านลงพระโลหิตทรงพระอาเจียนเป็นโลหิตก็ถ่ายเป็นโลหิตเหมือนกันอาเจียนเป็นโลหิตเหมือนกัน สักเทพระเนรจอมในเมืองกุทีลาละแต่มันเป็นอโหสิกรรมแล้วมันตามมาถึงท่านเพราะท่านปล่อยทิ้งแล้วขันห้าของท่านท่านไม่กระทบกระเทือนอะไรเลยเพราะโรกทั้งหลายตามมาถึงพระนรพานเพราะจิตขององค์ท่านเป็นพระเนรพานแล้วตามมันก็ตามถึงแต่ขั้นห้าเพราะขั้นห้ามันเป็นโลกผู้วางขั้นห้าแล้วมันตามมาถึงใช่ไหม ท่านปล่อยวางวางด้วยวิธีไหนเรว่องรั่วเท้าวัานคณาไม่ใช่ตนตนไม่ใช่วัคคณาปัญหาของท่านก็เลยขาดไปกินน้าไฟลมสยกกันเป็นกายเียวาวรุ่งเวทนาความสวยอารมณ์สุขทุกขเบียดขาสุขเกิดมาจากอะไรสุขที่สุขมีกี่อย่างทุกมีกี่อย่างสุขในพระพุทธศาสนาะมีสุขสองอย่าง สุกิงอามิตรเรียกว่าสามิตสุกิอามิตรคื อ, อยังไงได้ข้าวได้น้ํา ม, มากได้ผ้าผ่อนท่อนสบายได้สิ่งของทังหาที่มาทรัพย์มากปะสังหาที่มาทรัพย์มากเป็นที่พอใจเป็นที่สนุกใด้เรียกว่าสุกิงอามิตร เรื่มีสุขภาพไม่ค่อยมีโรค ก, ก็จะค่อยสุขเองอามิตรที่เรียกสุขเองเนี่ยคือ อ, อ, อะไรคืออะไรมีราคะน้อยจัดมีโทสะน้อยจัดมีโมหะน้อยจัดและหรือเหงาแห้งหายไปสุว่าญางอามิตรก็คือสุขพระสวดาบาลสุขพระสกราคามีสุขพระอาณาคามี ทุกพระหันเนี่ยสุขว่าญางอมิตรทุกที่อิงอาอมิตรก็ตตำกว่านั้นลงมาแม่พัดสรุปของภายนอกหรือสกปรกกายไม่ค่อยจะมีโรคอย่างนี้เขาเรียกว่าสุขอิงาอมิตรแต่ก็ไม่พินแกจกสลายไปเหมือนกันสุแนกแลโรคมีไหม ถ้าจะตอบตามปรมัศนแล้วชุขในโลกก็ไม่มีถ้าตอบตามสมมติก็ต้องมีเพราะผู้มีอยู่มีกินเป็นสุขผู้ไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีใชไ่ไม่มีสอยนําเป็นทุกข์ถ้าจะพูดตามสมมติเรา ก, ก็มีสองทุกทุกมีสิ่งของมากกับทุกไม่มีแท้เลยทุกมีสิ่งของมากเป็นที่สบายกว่าทุกไม่มีสิ่งของไม่จะกินจะใช่เขาไม่มีก็เป็นทุกทุกรักษายังเบากว่าเนี่ยเพราะมีวิธีจะรักษาเนี่ยเพราะมีทรัพอที่จะรักษาก็ เ, าเป็นไปได้ทุกไม่มีทรัพย์ก็ลําบากอยู่เหมือนกัน ที่ีทุกยิงเหน็ดขมะ่นทีนี่การรักให้ทานรักษาเสียนภาวนาเป็นของลงทุนลงแรงหามายากลําบากการรักษาเสียนก็หิ้วข้าวละหายนา้ําเป็นต้นเหล่านี้เรียกว่าทุกยิงยิงเนเน็ดขมะเพราะเชื้อได้เสียนเชื้อไดสมาธิเชื้อได้ปัญญาจะตานแด่นอนผลดวงกัดบ้าง ก็อดเอานีเรียกว่าทุกเองเหนือธรมะแต่แว่าทุกที่มีกำไรทางหน้าที่นี่สุกเองเหนือธรมะก็คือการปฏิบัติพระพุทธศาธสนาก็ปฏิบัติง่ายเรียกว่าสุกเองเหนือธรมะจะให้ทานเขาให้ทานสะดวกพรเรามีอยู่และไม่ตันหิ้ด้วยจะรักษาศีลเขาไม่สงสัยจะภาวนาเขาไม่สงสัยเป็นที่สบายเรียกว่าสุกไ ม, ม่อิงอาิมศเนี่ย ทุกิณีธรรมะเนี่ยทุกิกองอามิตรแย้ว่าคนจนมาสร้างกุศลพลบุญมันก็ไม่สะดวกสิเนี่ยจะอะไรมากินมาทานก็ลำบากเอก็ทุกขจิดทุกใจบ้างแบ่งได้แบ่งเสียอียอยกเนี่ยพาทุกิณีธรคมะเนี่ยยิ่เดินยังกลมภาวานาเหนื่อยมากพระกุศ า, าเอา ยากัทุกอิงอิงเหนือขมะนี่ยทำอัฐานบางอย่างทำสมาทานที่คําสมาทานบางอย่า ง, าาาาา ง, างให้ทุกในปัจจุบันและมีทุกเป็นเรต่อไปให้ทุกในปัจจุบันและมีทุกเป็นบเรต่อไปคื อ, อยังไงคือมีผู้มาชวนไปกินเหล้าเราไม่อยากกินเป็นทุกข์ใจแต่ว่าเกลียดใจเขาเลยไปกินซะ มีทุกเป็นนิบาสมีทุกในปัจจุบันและก็มีทุกเป็นนิบาสต่อไปบาป ก, ก็เป็นทีนี้มีทุกเป็นนิบาสและมีทุก มีทุกข์ครับในในปัจจุบันและมีสุขเป็นในบากต่อไปฉันอดข้าวอดหนา้าอดอาหารหิวขนาราไนก็ไม่เอาเพราะรักษาศีลเพะภาวนาจะาเจ็บ ป, ปวดบ้างกอดเอาเพราะเดินงกยมภาวนาจะหิวละหวยอะไรก็ตามจะหนาวจะร้อนเกินไปบ้างก็ตามอดเอาอย่างนี้ มีทุกในปัจจุบันและมีสุขเป็นนิบาศต่อไปมีสุขในปัจจุบันและมีทุกเป็นนิบาศต่อไปเขาชวนไปกินเหล้ากินยาเขาชวนไปทําผิดถือเป็นของสนุกไปทําผิดในสุขมีสุขเป็นในิบาศและมีมีสุขในปัจจุบันและมีทุกเป็นนิบาศต่อไปอันนี้บ้างสิ่บางอย่างก็มีสุขในนิบาศและมีสุข ในปัจจุบันเนี่ยมีสุขเป็นนิบาต่อไปการให้ทานรักษาศีนภาวนาก็ไม่คัดข้องทําให้สะดวกสะดวกไม่คัดข้องอะไรเลยทำให้สะดวกสะดวกตามสติกําลังไม่หนักใจเรนะครับมีสุขเป็นนิบาตมีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็น น, ปนิบ า, บ า, บาต่อไปอันนี้ในอนาคตมีทุกใ น, นปัจจุบันและมีมีทุกเป็นนิบาตต่อไป เขาชวม่ทำผิดแล้วไม่ไปเกงเขาใช่ไหมเพราะอำนาจวาสนาไม่มีก็ไปแบบฝุดๆแล้ะก็มีทุกเป็นไร้อาปต่อไปอีกคนสั่ง น, น, นะก็กรรมของใครของมันสเสวยกรรมของคนหนึ่งถปาที่ไหนคนหนึ่งก็ไมาได้ต้องสเสวยตามกรรมของใครของมัน ไดจอาตมาพอดีลุงปู่พอดีลุงตาพอดีลุงหูพอดีไดเคยมาอยู่นี่ก็ได้บุพกรรมอะไรบ้านี่ดูสีนี่นี่นี่คงจะเคยคงจะเคยเป็นคนเป็นข้าเป็นขอมมาทําน้ามันยางขายอยู่นี่กว่าจะได้นี่นี่หลายค้าหลายพวกเนี่ยอืไม่อยากก็ได้กินเมื่อเมื่อ เมื่อพ้นควกรรมจำแนกมาแล้วนะถ้าอย่างนั้นเราก็บอกว่ามึงมาตายอยู่อะไรที่นี่มึงอยู่ในคุกมันไม่เป็นทุกข์หรืออเขาออกคุกอยู่มึงทําไมมึงไม่ไปก็กรรมของมันมันก็สามเรื่องมันนะ <c oughs> ก็อันเดียวกันนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่า ง, อ, างอันเดียวกันหมดนะนะ <c oughs> มึงมาเกิดทําไมท่านเข้าสู่เขนิพพานไปแล้วมึงทําไมไม่ไปหรือท่านทําไมไม่ไป ก็พระกรรมของใครของมันมันก็ต้องอยู่ประเจ้กรรมของใครของมันส่วนชิ็ใจก็อยู่คนานระดับก็กรรมของใครของมันพุทธโทตัวเดียวผู้มีปัญญามากก็อย่างลงมากผู้มีปัญญาตื้นก็อย่างตื้นก็ต้วยกรรมจำแนกเหมือนกันผู้ที่เกิดตระกูลสูง เช่นสมเด็จพระบรมราชาเป็นต้นนักในทางเคารวมากในชาติฟางคอนนักในทางวัตบทของท่านหลาอันก็ได้เกิดเป็นพระบรมราชาขณะนัในการเคารวเกิดตระกูลสูงตระกูลสูงที่สุดก็ทั้นพระบรมราชาในทางโลกทางคาราะ ในทางบรรพจิตก็ตระกูลสมณะตระกูลพรามณ์จะเกิดสูงเพื่อสําหรับผู้ถือศาสนาพุทธผู้สร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วก็ต้องยินดีในพระนรพาลก็เหตุไหนยังยินดีในพระนรพานเพราะบารมีแก่ข้ามาแล้วผู้ที่ยินดีในมนุษย์สมบัสวรรค์สมบัติผมสมบัติแต่ถือพระพุทธศาสนาอยู่ก็เพราะสร้างบารมีมาขนาดกลาง ผู้ที่เ็นิจเนชอบนีนีแต่เลื่องใ้พระพุทธศาสนาอยู่แต่เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาจะช่วยให้เรียกแค่ผาถูกอันนี้บารมีอ่อนจำทีเนอะนี่บารมีอ่อนจำทีนี่ก็ยังแปกไม่รู้จักความหมายของพุทธศาสนาเองด้วยพระพุทธศาสนามันมีหลายสั้น ชั้โลภุตระมีอยู่สี่ชั้นแล้วออกเป็นแปดชั้นพระสวสดาบาลสักทาคามีพระอนาคามีพระารานี่หมายถึงผลเนี่ยหมายถึงมัดเถิดาปฏิมักสัคตาไตราามัดอานาไาตรมัดอรหัตมัดคำว่าผลก็ผลของมัดที่ปฏิบัติผลของเหตุเพราะว่าพืชเขาว่ากรรมเขาว่า พระเสดาจดาวันมีกรรมไหมก็มีกรรมอยู่แต่เป็นกุศลกรรมเป็นส่วนมากพระธัคาคามามีพระอนาคามีเขาเหมือนกันแต่เป็นกุศลกรรมเป็นส่วนมากส่วนพระอาหารหันต์ไม่ได้จัดเป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะท่านพ้นไปหมดแล้วพวกเรายัางท่องเที่ยวในวรดท่องสาร มันก็มีหน้าที่แห่งเดียวที่จะไปพระนิพพานเท่านั้นทรัพย์แต่ะตัวละตัวจะไปพระนิพพานหมดแต่ยังไม่ทันมีคิวในฉะนั้นจึงมีพระพุทธเจ้ามากเป็นลําดับเป็นลําดับเป็นลําดับเป็นลุกๆเป็นลุกๆมากกว่าอาสงไขยอาสงไข่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้ามากกว่าอสงไขยอาสงไขยแล้วแต่กลับก็ยังมากกว่าอสงไข่อสงไขยแล้วเส้าของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นสาเวตาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้น เทวดาเทวีอินโฟมของผู้ที่เจา้าทลายเหล่านั้นก็นับไป็นทั้ว อ, อีกโดยฉะนั้นจึงยืนยันว่าศาสนาใดๆก็เป็นเมืองขึ้นศาสนาพุทธหมดเพราะจะไปรวมกันเพื่อพรรันิพาลศาสนาอื่นไปรวมพรรันธิพานไม่ได้ศาสนาพุทธอนั้นจะสามารถถึงพรรันิพาลอะไรพวกศาสนาอื่นพวกมโมหมัดหรืออะไรอะไรอย่างนี้ ว่าเขาจะมาเรื่อมใสในพุทศรราสนาไหนไม่รู้ว่าขีชาติขีพบละจะเวียนไหวตายเกิดอยู่นี่นี่พวกเราข้ามพวกเรานั่นมาแล้วเนี่ยพวกเราบางของพวกเรานั่นใช่ไหมนั่ น, น, นพวกที่ยังถือศรรสาสรางดานอื่นอยู่นั่นยังไกลเกินส่วนมนุษย์ส่วนที่สัตว์ที่รชาในที่อยู่เป็นพวกเป็นมดจะมีขีขีรานเราก็นับไม่ไวในภูนี้จะมีขีร่านเราก็นับ ไ, ไม่ ไ, ไวพูดเดยาวท่านา มแมลงเมาเขาเหมือนกันจะมีกีล่านพวกเราก็นับไปไว้เหมือนกันเออแมลงผู้มแมลงพึ่งผัปวปศนู่นสในาน้ำในบกในใต้โลกธาตุนี่นับไม่ไว้อีกสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จะเข้าสู่คติพานหมดแต่ยังไม่ทมันเลกคิวเห็นใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงเป็นหลักศาสนาของโลกประจำโลกอยู่ทุกๆุทุ ก, ทกสมัยไม่มีมาตราที่จะเปลี่ยนแปลงเลยไม่เหมือนกฎ ห, หม้ก้นหมู ก, ก้อนับก้นพวกเขา้า กฎหมายขุหมูกุนพักขุนพวกช่ววันนี้ในเวลานี้ถ้านก็จะเปลี่ยนการปกครองใหม่ล่ะที่นี่จะจะเอารัฐบาลใหม่ท่านก็จะเ ป, เปลี่ยนปลงเปลี่ยนเอกเนี่ยไม่อันนึงก็ต้องอันหนึ่งละเนี่ยแต่กฎหมายของพระพุทธศาสนาไม่ได้เปลี่ยนกันบาปก็เป็นบาปอยู่ตามเดิมบุญก็เป็นบุญอยู่ตามเดิมก็ พ, พุทธยาองค์ไหนไหนมาก็ไม่ได้เปลี่ยนกันลงเอ่ยกันผิดกันแต่ว่าสร้างเว ร, รมียศรัทธาธิกะปัญญาที่กะวิริยาธิกะเท่านั้น ถ้าพระพุทธเจ้าท่านแข่งดีกันหรือท่านจึงสร้างวารมีอย่างนั้นถ้าไม่ได้แข่งดีกันเพราะความชอบของท่านผู้ปัญญาทิกะก็ตัดสั้นได้เร็วเช่นพระโพดมของเราปัญญาทิกะตัดสั้นได้เร็วสี่อสงไขยแสหมากับพระวิธีสัทธาทิฏฐะก็หกอสงไขยหรือแปดอสงไขยวิิยาทิฏะ ก็ชิพกกระสงไขยออกปากแล้วพอจะตัสรุป่วนไม่ออกปากยังไม่นับปพัฒนาออกปากแต่พัฒนาออกปากแล้วชิ้นพกกระสงไขยพระสมรรคโรมของเราก็าเสียสงไข่แสนรหักับออกปากแล้วแต่ไม่ออกปากก็ อ, อกโคนะ่แต่ว่ามีธรรมะอเดียวกันคู่ปัญญาที่กะ เป็นโทสัจจริตัตสรูในเรียวพระโสะดาบันเอกกับพิเครัตสรูในเรียวกดชาติเดียวเพราะเป็นโทสัจจริตพระสะกทาคามีพระอนาคามี ราคะจริตก็ทัดทะลุไม่ไม่เร็วพระอนาคามีทุกขคอยประัดอหาจริตก็ออกคือพวกสร้างบา ร, รมีวิทยาธิกะนั่นเองพระโวดานวิทยาธิกะเกิดอีกกียรติชาติธรรมามาที่ยันติไม่เกิดอีกทั้งแชาติพระจะกตาคามี เจ้าราคามีเป็นมรดกที่แฝงอยู่เกิดอีกสามชาติใ่เทวโรกบ้างมนุษยโลกบ้างสามชาติถ้สเฉลยพระหลานพระอนาคามีบางท่านก็ไปเกิดในอวิหาก็เฉลยพระหลานในอวิยาฯบางท่านก็อายุยังไม่ทันเึงเกึง่ง บางท่านก็อายุถึงตรวนกึ่งเน้ยถึงที่สุดบางท่านก็ทําความเพียรแล้วแองบางท่านก็ไม่ทําความเพียรแล้วแองให้เข้าใจว่าสีประเภทข้างต้นตอนนี้ในภาในพที่เกิดนั่นเองสององค์ข้างต้นกําหนดด้วยอายุสองประเภทข้างปลายกําหนดด้วยความเพียรองค์ข้างใต้ต้องเรื่องเครื่องประเกิดภพสูงเกินไ ป, นนไปจนกว่าถึงจะถึงชั้นอากานิทะกะ ถป่านี้ในภาเนี่พราะนั้นอุทั้น์โสตโตนี่อันนี้ถกะคามีเป็นวิทยาที่กะเกิดอาวิหารเกิดอัตาปาเกิดอัตาปาตุตตสาเกิดตุตตสาเกิดตุตตถิเกิดสุติอกติตะกาแต่ละชาติในชัดก่อนหลายพันกลับนั่นลองดลองคิดดูดูที่นี่หลายพันกลับถึงขนาดนั้นเนี่ยยังเกิดได้อำนาจอันนี้จัง ก็ไม่ว่าแต่เท่านั้นล่ะพวกโลคีก็ยังอยู่ใต้อำนาจอนิจังเช่นอาลาแลาบทอุตกะดาบทรามาบุตรมีอายุไข่แปดหมืนสีพันขับและยังเป็นโลคีอยู่แม้จะนำมาเที่ยวเกิดแก่เก็บตานยนวัตตาทศสารอีกอะโคเนี่ยจึงจะได้เข้าสู่พระนพาน ย, ยังเป็นโลคีอยู่ยังไม่ถึงพระโสดาบันอีกด้วยเหตุได้จึงไม่ถึงพระโสดาบันก็เพราะเหตุว่า ไม่ยังไม่ถือศาสนาพุทธเพราะสมัยนั้นศาสนา พ, า พ, พุทธกําลังจะเริ่มขึ้นเหตุฉะนั้นพระบรามไศ า, า, าตราจัสรูกใหม่จึงไปหาท่านเหล่านี้ก่อนพอได้ทราบว่าวท่านเหล่านี้ขึ้นลมปราณไปแล้วเจ็ดวันโอ้เชื่อได้เนอเชื่อได้นอเชื่อได้เนอถ้าเรามาพี่แกเทศอนินจจังทุกขังอนันตตาให้ฟังบดเดียวถ้าท่านพวกนี้จะสําเร็จพระาราหรันถัดไยจะสําเร็จพระสระาบาลัดไปอย่า ง, ง, า ง, งนั้นทีนึกออกจากนั้นจึงไปหา พระปัจจุันที่ทำในในศาสนาใดใในโลกไม่เท่าศาสนาพุทธเราเริ่อมใสด้พระพุทธศาสนาพุทธแปลว่าเรายังดีกว่าพวกที่เลื่อมใสศ า, ส, าสนาอื่นถึงแม้จะปฏิบัติหยอ่อนก็ตามก็ยังดีกว่าเขาเริ่อมใสศาสนาอื่นเพราะศาสนาพุทธเป็นขั้นที่หนึ่งของโลกแล้วพูดตามธรรมาธิรไตย ทุกยุทุกสมัยไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนคําสอนคําสอนอันเดียวกันพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาสอนก็ยกชาติพิทุกขาชราพิสุขามันนำพิทุกขังมดทุกๆุกโลงความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุกเด้อความปรารถนาไม่ได้สังเป็นทุกเด้อความกระทำกับสิ่งที่รักเป็นทุกประชบสิ่งที่ไม่เป็นที่น่าพอยใจเขาเป็นทุกเน้อ ก็แสดงวิธีปฏิบัติเองอาถรรพ์ที่โรมัโกมีศีลสมาธิปัญญาและก็แสดงสิ่งที่มรรพชิดไม่ควรเสพไม่ควรส่งเสริมกามอารมณ์ไม่ควรส่งเสริมโทสะลมไม่ทงควรส่งเสริมโมหอารมณ์แล้วก็มาแสดงศีลสมาธิปัญญามีอาถรรพ์ที่กรรมะฆะเป็นต้นจึงมีสมาธิสีเป็นเบื้องต้นสมาสมาธิเป็นปริโยสารทุกๆพระองค์ ความเห็นชอบพระสวัสดิ a w a ความเห็นชอบพระสักธาคารีความเห็นชอบพระอนาคามีความเห็นชอบของพระอรหันต์ความเห็นชอบของพระอรหันต์เป็นความเห็นชอบสุดท้ายเห็นชอบว่าเราปฏิบัติชอบยิ่งแล้วเราลู้ท้นชอบยิ่งแล้วเรียกว่าความเห็นชอบความเห็นชอบพระสวัสดิ a w a เราไม่หลงทางแล้วเราไม่เลือกสายศาสตาใดๆแล้วนอกจากศาสนาพุทธศาสตาพุทธเรีกว่าความเห็นชอบในเชิงพระสวัสดิ a w a ความเห็นชอบในพระสกทาคามีเชอบไปกว่า น, นั้นความเห็นชอบในพร ะ, ะอนาคามีเป็นโสดความเห็นชอบเนพระหรหันเพราะปฏิบัติชอบยิ่งแล้วพ้นยิ่งแล้วศัสนานุตริยะเห็นเยี่ยมแล้วปฏิปทานุนตริยะปฏิบัติเยี่ยมแล้ววิมุตตานุตริยะก็พ้นเยี่ยมแล้วไม่ขบ ột คืนสิ่งไหนที่รู้ทัดแล้วมันไม่ขบ ột คืนพวกเราก็เหมือนกัน สิงไหนที่พ่อเรารู้ชันแล้วมันไม่ขบคืนเช่นว่าเรารู้ว่าไฟถ้าเราไปกำถ่านมันหรือกรํารแสงมันหรือให้มันไหม้มันก็รอดจริงๆอย่างนี้มันไม่ได้ขบคืนว่าไฟนี้มันจะเย็นสักพีเราก็ไม่ขบคืนแต่ส่วนจะกระเพิดได้หรือไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้เช่นอุจจาระอย่างนี้เราก็ไม่ขบคืน ว่ามันจะมีกินแป้นอันอื่นนอกจากกินปฏิกูลเท่านั้นเรื่องเขาไม่ขบรถเนเราเรื่องใช้พุทธศาสนาเราไม่ขบรถเกินถึงเราจะมีกิเลสมากก็าตามเราไม่ขบรถเนแล้วเพราะเพราะเราเข้าใจชัดแล้วว่ า, าศาสนาอื่นเป็นเมืองขึ้นของาศาสนาพุทธหมดแล้วเขาจะรั่วตัวหรืไม่รั่วตัวกว็าตามมันก็เป็นเมืองขึ้นของาศาสนาพุทธอยู่ในตัว เขีนทิตจะรั่วตัวหรือไม่รั่วตัวก็เป็นเมืองขึ้นของทิศเหนือนะ น, นั่นเองเอาขอาววงบางจะรั่วตัวหรือไม่รั่วตัวก็ไร้ลงสู่สมุทรหาสมุทรทะเลนั่นอันเดียวกันเวลาของเรามีคนเด็กก็มีเวลาน้อยเหมือนกันคนแก่ก็มีเวลาน้อยเหมือนกันทุกวันเพื่อวินาทีเดียว เวลาชีวิตของเรามีและนอกากอดีตอนาคตชี่พไะจอ้อนไม่เดินก็ไปในขณะนั้พรบรมศาสตร์จรึงทรงส่งเสริมว่าผู้ภาวนาความตายพร้อมความลมให้ใจเข้าออกเป็นคนไม่ประมาทและมีอานิสงส์มากลมให้ใจเข้าออกมีอานิสงส์สามชระการ คุณ พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์มีชิบสามประการที่อย่างร่าง ก, กายสักขาใถ้าเห็นเป็นปฏิกูลมีอนิสงส์ยี่สิบเอ็ดประการแต่ผู้มีปัญญามากก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็หาประมาณไม่ได้มันขึ้นอยู่กับปัญญาของบุคคลอีกเหมเอือนกันคำไหนที่พระพุทธเจ้าไม่สอนในนี้ ในฝ่ายชั่วเขาสอนให้ละในฝ่ายดีเขสอนให้เจริญในฝ่ายดีส่วนไหนพระพุทธเจ้ามันจ้สอนไม่มีในฝ่ายชั่วส่วนไหนพระพุทธเจ้ามันจะสอนไม่ม้มีนั่นด้วยฉะนั้นคนหมายคนหมูคนสะกดพวกที่จ้างตั้งขึ้นปีนเกลียวพระพุทธศาสนามันจึงไปไม่รอดเยทีสงคารามโลกต่างๆทําไมแม่งมากเกิดประเทศไทยเพราะพะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวาสนา ถือว่าพุทธศาสนาแข่งรับกว่าประเทศทอื่นๆเลยฉะนั้นสงครามโรกจึงค่อยไม่ค่อยมาเกิดในที่นี้เช่นพวกประเทศอื่นก็ตั้งหน้านจะเข้ามาประเทศไทยหลายๆแต่เอามาไม่ถึงสักก็บรรดาลระจญหายไปสักพวกเมียขาวเหล่านี้พวกอันเกิลมเหล่านี้ก็ตั้งหน้านจะเข้ามา ประเทศไทยละแต่ว่าหมดกาําลังเอถอยออกไปนั่น <c oughs> <g ười> แต่เราไม่ได้สร้างเวียนสร้างไฟกับท่านผูน้ใดมันก็บรรดาเ น, า, นา่ยมาถ้าว่าเราได้สร้างเวียนสร้างไัยกับเขามันก็บรรดานดี่ยมาเหมือนกันเวียนไัยเป็นของสําคัญเนอะ <c oughs> เพราะเราไม่เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้ละเอียดและออ ท่านเหล่านั้นเป็นเวณอะไรกันแต่ชาติก่อนจึงมาได้เป็นอย่างนั้นพระ อ, องค์เล่าให้ฟังได้ละเอียดและออิีมากแม่คาเลยถึงอย่างนั้นก็มมีคนที่จะลงท่านลงพระ อ, องค์เพียงเขาโพธานั่นะส่วนคนโพลเขาไม่ลงคนนี้มาจากไหนตายแล้วไปเกิดที่ไห น, นมีกี่ชาติกี่ภพพระบรมศาสดาทราบ รู้จัก <c oughs> ที่นี่ในระหว่างท่านอาจารย์จวรรตกเครื่องบินท่านอาจารย์สิงห์ทองนี่มีหลายองค์ขนา น, นมีห้าองค์ก็มีท่านผู้ปลารกขึ้นในเวลานั้นวันนั้นเราไปยัมท่านอาจารย์สิงห์ทอง เพื่อท้ถ้าในการชวนถ้าในกานชวนไม่ได้ไปหาแล้วก็มีอะไรแล้วก็เอาไปตามทุกตามญาติของเราเอาผ้าไปเอาผ้าไปเสียไหมเอาผ้าในวัดเนี่ยสําหรับผ้าในวัดเนี่ยมันไม่ใช่คารุพันมันเป็นรัหุพันถ้าคารุพันก็เอาไปไม่ได้ถ้ามากสมควรบ้างจะแก่าย ใ, ให้วัดอื่นก็ได้อยู่มันไม่ใช่คารุพันมันไม่เหมือนหมอนเหมือนผ้า หมอนสะอาดแข็งไม่ได้ไงปรับอาบัดขนละใจหรือเตียงต่ำทีนี้เราไปนอนกับท่านอาจารย์ทิงทองส่วนถ้าท่านอาจารย์ชวนเราไม่ได้ไปฝากผ้าไปล้วมูลค่าเขาไม่ได้มากถ้าเราไม่มีมูลค่าเราอดท่านอาจารย์ทิงทองแล้วในมูลค่าไปแปดร้อยบาทท่านสุภาพห้าร้อยบาทเราก็ไม่ได้แผ่ได้ขอครับบ้านเนาะมันมีในวัดของเราเอาไปข้าพูดกัน อย่าไปยุ่งเขาพวกบ้านเขาเขหาเช่ากินเย็นเราไปป้อนเขาทุกวันนี่ก็พอแล้วเราพูดอย่างนี้ป้อนเขาเป็นทบาทผาบ้านเขาอย่าไปขอเขาเราพูดอย่างนี้ <c ười> <c ười> นใ่ไหมเนี่ยท่านอารยองค์หนึ่งสมัยนะั้นแต่ว่ายังไม่ถึงวันจะถอยประเพิงถ้ามาถามเราท่านถามลองปัญญาเราเฉยๆไม่ใช่ท่านไม่รู้โยงกักเต็มอยู่ ท่านพระครูพิสารเดีย๋ยวเนี้ยท่านมราณาภาพแล้วท่านพระครูพิสารนั่นท่านมีอายุพรรษามากกว่าเราสี่พรรษาแต่เราก็นั่งผักนั่งผักท่านลงมา<อ>ในวันนั้นมีพระแปดสิบองค์เดี๋ยวลพบุรุมหาอ ย, ย่างไม่จะไปเพราะยังไม่ทันถึงถวายพระเพลิงเราไปก่อนถวายพระเพลิงสักว่ยอย่างนั้นเราเป็นพระแก่ไม่จำเป็นจะไปลพบุูุษฟันเราก็ไปก่อนถวายพระเพลิงแล้วไม่หวังว่าจะไปเอา ตังกับท่านมีอะไรเราไปกินไปทานแค่แล้วเราหนีชักอะอย่างนั้นเราเคยทําอย่างนั้นเรื่องชาวพนกักงานไม่เป็นหน้าที่เราที่จะไปคอยเอาชักบางสปุลเอาเงินเท่านั้นบาทเท่านี้บาทไว้อย่างนั้นพอเราแก่แล้วแล้วไปแย่งรอบว่ายไปแย่งกุฏิเวหารของพระหนุ่มเนี่ยน้อยอยู่ไม่เหมาะสมมันไม่เหมือนหลวงปู่มหาหลวงปู่มหานี่ยท่านไปที่ไหนท่านทําประโยชน์ให้แก่เขาเนี่เขาเอาท่านไปเทศ เราเนี่ยไปที่ไหนไปนหนักคนอื่นไม่ต้องไปเพราะอย่างนั้นก่อน ไ, ไปไปไปก่อนวันวันถอยพระเพลิงสักอย น, น, นี้พอมาถึงเชจาในกาวันเราก็เลยออกมาทางนี้ทุกท่านถอยมูลค่าเราเขาไม่เอาในที่ว่านี่เอาได้ยรับแล้ว่ว า, านี้ไม่ได้อวด ว่าตนเป็นผู้รวยผู้ร่าผู้รวยอะไรหรอกพอรับโดยเคารพแล้วก็ถวายโดยเคารพเพราะงานยังไม่เสร็จไม่ได้เอาไปหรอกพอข้าวกลับก็เตรียมมาหมดแล้วเราก็ถวายองแล้วไม้แล้วไม่ะผ้า่าส่วนท่านอาจารยว์วนเราฝากไปส่วนท่านอาจารยที่อยู่ทางร้อนเราไม่ได้เราเราไม่ได้ไปเพราะเราไม่รู้จักท่านเราก็ไม่ได้เคยท่านและก็มามีผู้มาด้วย ไปนอนกับท่านอาจารย์นิ่งกองท่นเลยท่านหลวงนั้นน่นถามท่านเลถามว่าท่าไม่ลูกจากท่านจะตายหรือทําท่านไปทําไมท่าไม่ได้ต้องในภาวนาของท่านหรือเพิ่มเงินจะตกท่านไปทั้งสี่องค์ทีนี้เราก็เข้าใจว่าท่านรองเราดูเฉยๆไม่ใช่ท่านแม่ลู้ท่านลู้โยโ่แต่ก็มีพุทธปรศัสร์ฐเต็มอยู่อย่างนี้หรอ โอ้ท่านจ้าคุณกับผมเข้าใจว่าจะถูกหรือผิดก็ไม่ทราบในที่ตอบนี่ก็มาในว้ว่าท่านจ้าคุณไม่รู้จักอะไรดอกแต่เข า, เาภาัยร้องมา ก, มากท่านจ้าคุณคงจะลองสติปัญญาของข้าผมก่อนเลยนะเราพูดไปก่อนเยอะก้าผมเข้าใจว่า โกชัญญามะระลังสุยใครจะรู้ได้ความว่าความตายมาในวันพรุ่งนี้อันนี้คนหน้าควนคิดครับสบกายเกตุงทนเนนวาเมื่อความตายมาถึงแล้วไม่มีท่านผู้ใดจะถ่ายถอนความตายโดยเวทมนตร์โดยครับอันนี้นคนหน้าพิจารณาครับอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าพระบรมศาสด า, า, าของเรายังอยู่ถ้าจะพูดในตามธรรมบุ ท่านก็คงจะมาเทศท่านฟังว่าพวกนี้ไม่ได้ตายด้วยกันแต่ในข่าินี้เน้อข่านนั่นหนึ่งข่านนั่นหนึ่งข่านนั่นหนึ่งข่านนั่นหนึ่ ง, นนงเคยตกลงตกเรือเคยเรือแตกเรืออะไรจนหน้ามหาสมุทรทเลก็ดีเครื่องบินโยนหงโยนหอแต่โบราณโบรมณโบราณเรียกว่าโยนหงโยนหอโยนหอกคงจะเคยพาการตายมาแล้วชาลัยพบแล้วถาลว่าพระบรมสา ร, รีรยางอยู่ไม่ใช่ว่าจะมาตายด้วยกัน ในชาตินี้ชาตเดียวเท่านั้นคงเป็นแสนชาตินี้กระมังก็อาจเป็นได้ครับเช่นนางอะไรกับผมลืมชื่อซะที่หอบลูกอยู่ไม่ยอมเอาลูกไปเผาในป่าชาติเขาบอรงมาศาสดาเขาบอกว่านางเ อ, อ๋อลูกของนางนมาตาในป่าชาตินี่ยแสนชานนี้ละนางจะเผาซะนางอย่าไปร้องให้เลยแม่ตัวของนางก็ มากกว่านันตัวของทศก็ยังมากกว่านั้นเองอันนี้เป็นตัวอย่างครับคงจะเป็นอย่างนั้นทีนี่กระผมก็เข้าใจไปอีกทีนี่ผู้ที่เกิดอยู่ในโลกถ้าไม่ตายในโลกจะไปตายในที่ไหนอันนี้ก็น่าคนคิดนอ่เราก็พูดอย่างนี้ทีนี้นี่น้าคนคิดอีกเราไม่รู้ว่าเราจะตายหรือเรามาเกิดทําไมอันนี้มันมันคงจะถูกมากกว่าอันอื่น ถ้เขาเลยหัวละสิ่งน อ, อ้ตอถูกดีท่านู่้ใหญ่เราไม่รู้ว่ามันจะตายดีเรามาเกิดทำไมอันนี้เราบรรทุกหัวแล้วเข <c oughs> ตอบอย่างนี้เลยอันนี้ความรักกันเราไม่รู้ว่ามันแก่มันเก็บหรือเรามันเกิดทำไมเราไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์หรือเรามาเกิดทำไมก็คำมุนีนาวัตต์ตโลโกนั่นเองทัดของโลกเป็นไปตามกรรมเองอผู้ได้สร้างบา ร, รมีมากก็ไปก่อนผู้สร้างบา ร, รมีล่าหลังก็ไปทีหลัง ไม่ขาดระยะกันผู้มีสติปัญญาแก่ฆ้าเขาไปก่อนชนะความหลงของตนข้ามโลกก็คือข้ามความหลงของตนนั่นเองอหลงโลกก็หลงความหลงของตนนั่นเองเป็นนี้โลกเขเป็นนี้เรียบโลกเป็นนี่ความหลงของตนนั่นเองน่ะ เกิดมาเพื่อต น, นเองเท่านั้นะเกิดมาเพื่อท่านผูอื่นก็เหมือนกันเราทําดีให้แก่ตนก็ค่อยๆก็ม า, าทําดีให้ผู้อื่นผู้อื่นผู้ที่ชอบดีเห็นตัวอย่างแล้วเขาเ ข, ขาจะได้ตื้อเอาเราทําชั่วก็เรียกว่าทําให้คนอื่นเหมือนกันผู้อื่นที่เห็นเราทําชั่ ว, ขวเขาควาเอาเป็นเรื่องอย่างผู้เขาชอบเพราะมันมีอาจารย์อยู่ทั้งสองทางอาจารย์ทางดีก็มีอาจารย์ทางชั่วก็มีชั่วเขาเป็น อาจารย์ดีเขาเป็นอาจารย์ดีก็าเพื่อจะได้รัฟ้าเอาไว้ชั่วยเขาจะได้ละเลื่อนนะเคยแกเก็บตายเป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างเพื่อให้เหลาบในวัฏจรสงสารกินถ่ายก็เป็นอาการเพื่อจะให้เหลาบในวัฏจักรงศารร้อนหนาวเขาเคลาบเพื่อเป็นเป็นอาจารย์เหมือนกันเพื่อจะให้เหลาบในวัฏจรงศารไม่พอกินไม่พอย่ายก็ เป็นเครื่องให้เก็ดหลามในวัตจักรสงสารเพราะสิ่งในวัตจักรสงสารเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนมันก็ไม่พอใช้ง่ายพูดสั้นไม่ไมากเหลือเกินจึงพอใช้เนอะพูดที่จบหน้าจำหลังก็ไม่พอใช้ละเพราะมันไม่เทียงสิ่งของทางหลายเราไม่ตายนี้จากมันมันก็แตกทำลายนี้จากเราทาดีก็ทำให้เป็นพึ่งของตน ของใจทาชั่วพอทําอะไรเป็นเพื่อนของใจแต่ในที่อยู่ของมนุษย์มันไม่มีเพียงมนุษย์โลกไม่มีเพียงสวรรค์โลกไม่มีเพียงพรมโลกที่สุดของสังสารวัตรก็คือพระ涅พานนะผู้ที่สร้างวาระมีแก่ก้ามาแล้พอเย็นดีนะพระ涅พานทางเข้าแม่ทักพักเส้นหนึ่งก็ไี้ก็ย็นดีนะพระ涅พานเสียงเดียวขออย่าได้มาเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารอี่ ปัจจุบันนักจิตปัจจุบันนธรรมในที่รุตพ้นในสกปรกในนรกจงรู้ธรรมเป็นจริงปฏิบัติธรรมเป็นจริงรุตพ้นธรมเป็นจริงอย่าเนี่มาเถิดหาแใ่เข้าข้างหนึ่งครบใจโลภธาตุมีทั้งเกิดแก่เก็บตายด้วยมีทั้งศีลสมาธิปัญญาด้วยมีทั้งคุณพระพุทธสนาพระสงฆ์ธรรมมาไม่ได้ด้วยแล้วแต่เราจะกาแนกออกไปกินร้ายมาหายอยาก ตาดูรูปก็ไม่หายอยางหูฟังเสียงก็ไม่หายอยากจมูกร้องเกลียงก็ไม่หายอยางเรีเรียม ร, รถก็ไม่หายอยางปวดสพักระทบกายก็ไม่หายอยางผมว่าหรือเอาเย็นมาเข้าตัวถ้ามันรอนก็เรียกว่าผวดสะพักเหมือนกันนอนมากไม่รู้ตื่นก็คือคื อ, ค, อคือนอนในวัฏฏะสงสารนี่เอ ง, เอง รักผู้อื่นยิ่งกว่ารักตัวคื อ, อยังไงก็คือรักความหลงของตนนั่นเองของลกลัวกล้าความหลงของตนครักล้าใส่อันเดียวคณะของสั้นมาเป็นของงาวชีวิตมีสัน้นนิดเดียวเือเป็นของงาววันนี้ยังใกล้จะไปกว่าวันพรุ่งนี้กว่าวันกว่าเมื่อเช้านี้ ไสเข้าไปไสเข้าไปไม่ถอยออกเลยไสเข้าไปไสเข้าไปไม่ถอยออกเลยอคนหนุ่มก็ตามคนแก่ก็ตามตะกูจ่ำตะกูสูงก็ตา ม, า ม, า ม, า ม, าามเดินเข้าไปหาความตายทั้งนั้นอถึงแม้ไม่เดินมันก็เดินวันคืนมันก็กินชีวิตของพวกเราทั้งหลายโดยไม่มีอุจจระปัสสาะออก่ําอันอื่นกินมันยังมีอุจจาระัสสาะออกวันคืนกินชีวิตของพวกเรา ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอุจระปัวะออกที่ไหนถ้าว่าเราเกิดมามันพบแต่ทุกอย่างนี่นวิชาเคล็ดลับเราจะไม่มีบ้างหรือนี่ปัญหาความันวิชาเคล็ดลับของเรามีในใจก็คือตัวศีล ต, ตัวสมาธิตัวปัญญาอยู่ในตัวแล้วนะถ้าว่าเราเพลินในวัดทระสงสารเขาเรียกว่าเราเพลินในรูปฐานเพลิงนั่น เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยทำด้วยความจําเป็นที่เรายังไม่พ้นทุกเน้อสร้างบารมีไปในตัวทําด้วยความจําเป็นความจําเป็นมีสองอย่างกูจําเป็นจะได้ฆ่าสัรนักทัพเพื่อพิสนากรรมไม่ไม่ใช่ความจําเป็นในทางที่ชอบเน้อกูจําเป็นจะได้เว้นอันนั้นมันจะถูกกูจะถึงในทางที่จะพยายามเว้นอันนั้นถูกไม่ใช่ใจถึงในทางที่จะทําชั่วจะพยายามใจถึงในทางที่จะทําดี ความดีแล้วก็ทําแล้วก็อยู่ที่ใจนึกถึงเวลาไหนก็เป็นที่อบอุ่นความชั่อทําแล้วก็อยู่ที่ใจนึกถึงเวลาไหนก็ไม่เป็นที่อบอุ่นทดสอบดูแต่และของใครของมันก็รู้ดีแล้วความดีเราทําำไปจะตายมันไปอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจของเรานี่เองความชั่วเราทําจนจะตายมันไปอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เรานั่นเองแต่เราไม่มองเห็นเราไม่โอ้ปนะจยโกงนอก้ามาเราเอาไปทางนอกอ้าว ยกตัวอย่างอีกที่นี่ชาวโลกสมมติว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทิ้งระเบิดลงมาเนี่ยตายหมดยังแต่พูดที่ไม่ทิ้งที่นี่จะได้อะไรทีนี่ก็ได้แต่เรนสนองเรียนไทยสนองไทยอย่างนี้กูเอามึงมึงเอากูอสอกแยกสอกเข่าแยกเข่ามัดแยกมัดหัวแยกหัวคารพัดกันละกูทีบางทีในวัฏฏะทุกข์ารนั่นนี่เหตเท่านั้นจึงยินดีในพระญานานเสียงเดียว พอเห็นหนทางเดียวไม่เห็นหนทางอื่นยินดีนะทางให้มาเกิดแก่เกิดตายในวัฏจั้องสารนี่เองเจตนาหั่นพิษเทเวศรังวัฏานี้ให้พานรักษาศีลนับแต่นอตจากามาภาวนานับแต่นอตจากฮามาคอยคนทุกในวัฏจังสารเนี่ยจะมาเกิดแก่เกิดตายในวัฏจั้องสารไม่อีกเลยอันนั้นเป็นยอดของเจตนาเป็นโลกุตตระเจตนาอันนี้เกิดขึ้นที่เราเอง ไม่มีคนอื่นชักนำเพราะเราเห็นเราเห็นทุกข์ก็เป็นพยามเสด็จลาบแล้วเราเห็นสุขก็เป็นสุขเครื่อนน้าตาน่ะสุขในโลกอันนี้สุขในโลกเ็สุขเครื่อนนําตาลเนอ้อยาพิษเนนําตาลถ้าพอเราป ร, ราศจากยาพินน้ำเราสิ่งใดไมาเสี่ยงสิ่นั้นเป็นทุกข์เขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวจะเป็นปัญหาคำพูดาคํ า, าพูดแต่ละอย่างแต่ละบทละบาทพอนึกขึ้นก็เป็นอดีตไปแล้ว พขพูดออกก็เป็นอดีตไปแล้วล่วงไปเหมือนกันความนึกคิดล่ลวงไปเหมือนกันเหตุฉะนั้นท่านทุกคนไปแล้วท่านจึงไม่ยืนยันว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตท่านจึงไม่ยืนยันว่าผู้รู้เป็นตนตนเป็นผู้รู้เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเป็นแต่สักว่าปัจจุบันและอดีตอนาคตคือล่วงไปปัจจุบันอดีตคืออะไรก็คือปณิธานปัจจุบันที่ล่วงไป อนาคตคืออะไรคือก็คื อ, ค อ, ค อ, คอนิทานปัจจุบันที่ยังไม่มาถึงนั่นใครเป็นผู้ทํางานมากกว่าเพื่อนก็ใจเป็นผู้ทํางานมากกว่าเพื่อนเดี๋ยวนึกนั่นเดี๋ยวนึกนี่ไม่หลับไม่นอนเลยนั่นไม่ยุดไม่อยู่เลยเนีย่ยฉะนั้นพระอริยเจ้าท่านจึงว่ามรัสถมิงปิเนวินนติท่านนายใจของท่านธรรมเมสุ ป, ปิเนวินนติ อารมณ์ทั้งหลายที่หลังเขาไหลเข้ามาหายใจของท่านท่านก็นายคําว่านายไหมความว่าไหนไงนายความหลงของตนที่เคยไปยึดไปถือว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลจริงจังจริงจังทำชั้นสูงใจเขาเป็นแต่สักว่ายใจไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเปยนเพียงติตตานุพัสสนาธรรมเขาเป็นแต่แสกว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุพัสสนาอันนี้ ท่านภาวนาถอนถอนอุปทานการมุปาทานเชือมันในถอนในกรรมทิฏฐุปาทานเือมันในทิฏฐิและความเห็นต่างๆเสียละพระสูปาทานเือมันในชิ้นพจนอุปทานสีท่านสลัดออกเพราะท่านพิจารณาอน the the for us for us. World, ัตตาเขตุเช่นนั้นพึกสุจึงเป็นผู้รู้จักกาจึงเป็นผู้รู้จักหูจึงเป็นผู้รู้จักจมูกจึงเป็นผู้รู้จักลิ้นจึงเป็นผู้รู้จักกายจึงเป็นผู้รู้จักใจ ตาไม่ใช่ตัวตนผูไม่ใช่ตัวตนจมูกไม่ใช่ตัวตนลิ้นไม่ใช่ตัวตนกายไม่ใช่ตัวตนโถดสภาพะไม่ใช่ตัวตนทั้งอาชจรรย์ทัภายนอกภายนายทั้งอดีตอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยทําไมท่านจึงไม่ยินดีในสิ่งและทั้งหลายในโลกทั้งปวงเพราะในโลกทั้งปวงอยู่ใต้อํานาจอันิ จ, จังทุกขงังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนและแตกสลายหาระหว่างไม่ได้ก็มาถานทุกสิ่งทุกอย่างมารวมในที่นี้หมดน กรรมฐานในทางพุทธศาสนามารวมคิวอยู่ที่นี่สมถะกรรมฐานก็านกตามนิพพานากรรมฐานก็ตามมารวมคิวอยู่ในที่นี่เมื่อมารวมคิวอยู่ในที่นี่แล้วเมื่อพิจารณาเห็นสิ่งทั้งปวงที่ไม่เทีย่ยงเสมอภาคคลองใจและคลองใจแล้วก็นิพพทาความเบื่อหน่ายที่ตนเคยหลงมาก็มีวิราฆ่าความสิ้นกำหนดกำหนัดในโลกก็เกิดขึ้นความวิสุทธิ์ก็เกิดขึ้น นิพพานความเย็นดับสนิทไม่เป็นกังวลอะไรก็เกิดขึ้นนะความสําเร็จอยู่กับความพยายามผู้พยายามพ้นทุกข์มันก็พยายา้นจริงๆถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครพ้นทุกข์ผู้พยายามอยู่ในโลกมันก็ได้อยู่จริงๆความสําเร็จอยู่กับความพยายามจะพยายามไปทางผิดมันก็สําเร็จเหมือนกันแต่มันให้ผลต่างกันพยายามไปทางถูกมันก็สําเร็จเหมือนกันแต่มันให้ผลต่างกันแม่เกิดให้ผลไปต่างกัน เกิดมาเพราะพระพุทธศาสนาอยู่ที่เมืองไกลพระพุทธศาสนาเขาพบอยู่ที่เมืองไกเข้าใจเรื่องใส่ถ้าใจไม่เรื่องใส่มันก็ไม่พบอยู่ที่เมืองไกลถ้าใจเรื่องใส่พุทธศาสนาเขาพบพระพุทธศาสนาอยู่ที่เมืองไจใถ้าใจเรื่องไส่ผีเขาพบพระพุทธศาสนาผีอยู่ที่เมืองไกลนั่งถ้าใจถือว่ามันมีบุญไม่บาปก็พบ โรกันตาน้ารกอยู่ที่เมืองไกลตัวขุ่มไม่ไม่ไม่ไม่ไมมีบุญม่มีบาปทุกขนมืดมืดจนไม่รู้จักความมีบุญไม่มีบาปบาปมันเป็นตัวยังไงมันก็เป็นตัวเหมือนใจบุญมันเป็นตัวยังไงก็เป็นตัวเหมือนใจนั่งมักก็มักใจผลก็ผลใจแล้วมักแปดลงมาหาเอกมักอยนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเคอใจสัมมาสัทนาโปสัมมาสัทนาโป ความดำริชอบก็คือใจที่เพิ่มในสติปัญญาสมากรรมันโตผู้จะทําการงานชอบเื่อนจากกายทุติยสสามก็คือใจเป็นหัวหน้าสมาคีโวผู้เรื่องชีวิตชอบเล่อนจากเรื่องชีวิตโดยทางชีวิตก็คือใจเป็นหัวหน้าสมาสติผู้ที่จะร ล, ลึกถึงสติปัฏ ฐ, ฐานสี่มีกายเวทนาคิดรมก็ดีที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนาราก็มีจิตเป็นหัวหน้านี่สัมมาสมาธิ